จึงเรียกว่าบินธบัตเป็นวดัดเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่จะแท้พิริศเดี๋ยวเรามันก็ไปไม่สะดวกแล้วไปไม่ได้เชนั้นนบ้าไปตามภาษีภาษาไปไปสังเกตตัวเองไปแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นดูสิทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทุกวันดูเอา ขังเรามก็เคยแข็งแรงไปไหนมาไหนทำอะไรมัก็ช่องตัวมันตลอดมันเป็นนิสัยอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะดูเอาไปฝากใ ห, ห้เพื่อนไปมันอบวิศก็ง่ายให้ความรับผิดชอบตามูเพื่อนอไม่ตกคดคลิกเรื่องอย่างนี้ไมันง่าย าานนนนปนนชุมมาก็นานแขนนานเ็าเพิ่งมาปรุมเมื่อวันที่ทุกสี่เอี่ยมามาประชุมนี่นะหาดมันมันลึมันไม่สะดวกที่จะมาพูดมาเเลย น, นะครับพอฝืนได้กับฝืนอย่างที่มานี้ไม่ใช่มาด้วยความสะดวกนะมาด้วยความฝืนต้งคาดแหลมขันกันนั่นแนหะ อยากหันมได้รู้ได้เห็นธรรมวิชาที่ทรงสอนแล้นนั่นแนหะเป็นยังไงกับพิเดษเอามาอวดกันดูให้มันเห็นชัดๆในใจวงเหดียวกันนี่หนะัมที่เราคุกฝุ่นอยู่กับพิเดษน า, นานแสนนา น, น, านเอาท ำ, ทำมาแทรกทีนิดหนึงให้ได้เห็นอย่างน้อยก็สมาธิทำมันจะต่างกันอย่างไงบ้าง ยืนได้ปัญญาทำมีมุตปิดทำแล้วๆไม่ต้องพูดแล้วนฟ้าดินสลนุ่มภายในความรู้สึกจะตื่นเต้นขนาดไหนอาศจรรย์นขนาดไหนในงานดานจังจวัดทําเป็นของอาสจรรย์หรือทำในอัศจรรย์นขนาดนั้นท่านพูดยังไงมาพู้ย่กประเสริฐทำประเสริฐไม่ใช่ความเสกสรรปัญญย่อไปใ น, นหลักธรรมชาติจริงๆ ต่างอะไรทั้งนั้นฟังได้หรือ ค, คิดมันไม่ดูไม่ดื่งก็เพราะไม่เคยได้เห็นไม่รู้ <c oughs> นนมันมีแต่รสชาติผลประโยชน์มันสามใจตลอดนานเห็นตามมาเท่าก็มีแต่อันเดียวกันอยู่กับวันนี้มันไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งอะไรไม่มีอะไรมาแทรกพร้อยว่า มีสองสองอ น, นั้นหนึ่งนี่อันหนึง่งพอที่จะดูเลือกเส้นเลอกเส้นเฉียบเคียงอย่าีจะอันบะดีอันเดียวพอสมาธิคือความสงบใจจะปากปดขึ้นแม้ในขณะนั่นก็ตามแต่มันจะสร้างทันทีเลยเป็นของแบบกประหลาดอาจารย์นขนาดไหนนั่นของของจิตที่ยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นใดๆมาเลย เพียงขั kind of ้นสมาธิที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นอืมมันก็ตื่นเต้นพอแล้วเลยอ๋อนี่เหลือสมาธิหรือนี้เหลือกิจสงบเป็นอย่างนี้เหลือนี่ทาเป็นอย่างนี้เหลือหน่ะพร้อมๆกันห้อะไอย่างคือคนพูดก่อนถ้าโพธิที่กัดขั้นเจริญสมาธิเจริญถึงหกครั้งส่วนหกครั้ง เสื่อมแล้วพอ ย, ยามเอาทะเลนี่ดิเ ส, ส, สื่อมนี่ดิเสื่อมเสียใจชามเป็นกระทั่งก็มีคนมาเชือดคอเจ้าของนั่นเพราะความเสียใจมากจะเห็นว่าทำมิเจขนาดไหนถึงได้เกิดความเสียใจเพราะความบุตรลอยเจ้ของทำมาพิจารณ์สันดาปทหารที่ชาติพิเรตม้ ว, สวนสื่อลงไปองค์ไหนที่จะเชือดคอตายเพราะเสียดายพิเลต เสียใจพเพราะกเลหลุดรอยไปไม่เคยมีแต่ทำดูลอยไปเป็นไท้ถึงขนาดนั้นฟังด้วย้เสใจถึนขนานั้นมันจะเสียใจลึกคนเเมือพูดถึงหงพระโคกิจแต่จริงผมเองตัวเท่าหนูนี่ผมกลังเป็นลังเคยพูดหนหูนฟเพื่ังในประวัติชีวิตนี้ไม่ลืมดูไ ม, ม่ได้ถือ่กินเป็นสมาธิแล้วมันได้เฉลิมยังี่ก่ามานันในหนังสือก็เขียนไว้เท่นในเท่เทและถอด กินแล้เกิดม่แล้วดังนั้นเนี่ยของเราไม่เคยเป็นจิตงเราไม่เคยสงบไม่เคยเป็นมันก็ธรรมดาธรรมดาก็เหมือนอย่างชาวบ้านชาวเมืองตามชน บ, บทเนี่ยตามบ้า น, นอกของนาเขาเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขามีเพียงห้าบาทสิบบาทเขาก็พออยู่พอกินพอเป็นไปเขาก็สบายของเขาอยู่นั่นแหะ เพี่ยวพอได้เงินหมื่นแสนเงินล้านขึ้นมาชิกอาวุธนีแล้วถูกล่มจมไปจะได้วยเหตุใจก็ตามเงินล้านแบบนั้นแม้จะยังมีอยู่ในธนาคารหรือมีอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามเถอะจิดจะไม่มาอยู่ในเงินเป็นแสนแสนเลยจะไปอยู่กันมุ่นแหะกับเงินล้านล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นนี่ความเสียใจของคนที่ เงินร้านล่มจมไปแล้วมีเงินอยู่ตั้งเป็นแสนพานในบ้านกับตาสีตาสาที่เขามีเงินหรือหาเช่าอย็นๆเนี่ยเทียบความสุขความทุกข์แล้วใคาจะเป็นทุกข์กว่าขังเลผู้ที่มีเงินอยู่ในบ้านเป็นนั้นแสนนั้นแหละจะเป็นทุกข์มากกว่าตาสีตาสาที่มีเงินตั้งสิบบาทก้าบาทสิบบาทหาเชา่าเยานนๆ มิที่ไม่เคยเป็นมาธิไม่เคยสงบเย็นใจเลยมันก็เหมือนการพิจารเมื่อเราเที่ยวพอจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เสื่อมไปเสียมันก็เหมือนกับมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถูกล่มจพิ่มเสียด้วยทางหนึ่งนั่นนี่มันร้อนพรเสียดายความเสียดายที่ทำนี่มันยิ่งไปกว่านั้นอีกไปกว่าสมบัตินันอีก มุกผมได้เป็นแล้ว<ม>ไงไม่พูดใหมฟังผมขอโอกาสครัคุณการทําสมาธิเมื่อเราทําได้ที่มีลงสูงแล้วก็ขาดไปแล้วอย่างนี้นะครับพอมาตอนหลังจะเอาอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกแก่<ำ>เป็นไปไม่ได้เ อ, เอาอารมอย่างนั้นมนาะเป็นมาอย่าไปเป็นอารมณ์ได้ เราภาวนาอย่างไงทิ้งเราถึงได้ลงอย่างนั้นให้ยึดเอาอารมณ์นั้นเข้ามาสู่วงปัจจุบันแด่ไปคิดว่าเราเคยได้อย่างนั้นเคยเสือ่อมอย่างนี้เคยขาดจากนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์นี่ที่ผมพูดอย่างนี้มันเข้าเงือเ่อนเดียวกันปุ๊บเลยไม่มีผิดเลี้ยนไปได้คือวู่นในหมู่เพื่อนฟังอย่แล้ น, นี้บางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรพราะนั่ง ก, ก็ลงปุ๊บมันก็หายไปเลยแล้วบางครั้งก็ไม่เคยได้ เวลามันไม่ค่อยได้กับคือกิเลสมันออกเพ่า น, นอาดกำลั ง, งกิเลสมันมากกําลังทําให้พร้อมก็เข้าไม่ได้แต่เขาดูสึกว่าจิตในขณะนั้นก็อ่อนเต็มทีครับผมมันแต่ว่ามันไม่ขาดเท่านั้น betray. ก็ยังมีสติอยู่ที่จิตแต่ว่ามันไม่ลงมันไม่ขาดขมันเบาเต็มทีครั้งของขาดไปเ มันขาดก็ขาดไห้เรารู้ด้วยทั่วระยะธรรมะสมาธิมันยังเป็นของไม่แน่นอนมันยังจะละเอยียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดหรือนอนใจมันมีเสื่อมได้แล้วมีเจริญได้การรู้สึกสอันตรลงเลยผมก็มาได้ งอออกจากนั้นแล้วบางที่นาทางด้านปัญญาดังที่เคยสอนไว้ที่ครับผมแจแก่แต่มันได้ออกทางด้านปัญญาที่มันผิดกับสมาธิขนาดไหนมันรู้เองเนี่ยอือมันก็จะรู้ตัวมันจะยิ้มอยู่ในใจครับผมนั่นนี่วันนี้กระผมได้ยินได้ฟังพระเดชพระคุณเทศถึงสองครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแจ้งแจ้งมันตลอดไงมันรางวัลนี้ไม่ได้เคยไปฉันน้ำ อรู้ดขขง <ผม S 2> ึงมากครับผมผมเทศวันนี้ไม่ค่อยเรียงลำดับเท่าไหร่นักถ้ามูเราได้เข้า ท, า ท, าทำอย่างเด็ดรูอาจารย์อบรมสั่งสอนก็จะรู้ว่าธรรมะที่เสดูอาจารย์สอนนั้นใครปฏิบัติตามก็เห็นอาจารย์ว่าใญ่ที สมายผู้จัดการบอกว่าผู้ใดทำบุญนั้นเจ้าหนี้สาาคตนั่นแหละคือความจริงมันอันเดียวกันครับผมมันไม่มีอดีตและอนาคตเนี่ยคือความจริงประกาศจำเด่นชาติภายหัวใจแล้วจะไปสงสัยอุจยอย่างไหนนั่นถ้าหมูพวกเรามีปฏิบัติถึงขนาดนั้นเขาจะเห็นตัวอาจารและแกกแก้มาผมไม่อยากให้เห็นผมล่ะไม่อยากเห็นจะของนัเงี้ยที่เห็นคขากล้าปฏิบัติก้าเรื่องของผมไม่ไม่อย่างนั้นเหรอเห็นจะขอก่อนแล้วเมื่อ หาผมไม่เจอผมจะึงจะบอกอีกแต่ <laughs> ระวังนะเวลาผมบอกมันยังมีเงื่อนีกนั่นนะ <laughs> อ่ะแต่ผมขอากาสถามอีกสักครัง้งการที่จะกำจัดกิเลสที่เขาบอกก็อย่างละเอียดอย่างละเอียดอนสัยที่มันนอนออนั่นไอ้อนสัยนี่ตามที่ พเพนเดชคุอาารสอนเรามาว่าถ้าหาว่ามันไม่กระทบกระท่านขึ้นมามันก็ไม่ขุดขึ้นมามันน้ำใสขย้นเหมือ ก, ก่อนนอนกดทีนี้จะเอาทํามาอะไรครับรมาสกัดน้ําขุนที่มันนอนก้นไม่ให้มันขึ้นมาปัญญาปัญญาเป็นสารส้มแปรงลงไปเพียงเอาสมาธิกดมันไม่นั่นแหะถ้ามันนุนแรงสมาธิกดไม่อยู่เดี๋ยวพาสมาธิพังไปอีก ปัญญาเท่านั้นฟัดกันลงไปเมื่อปีที่แล้วก็ผมไปอยู่บ้านขอเดินชมร ง, รงผมก็พยายามคิดว่าจะเอาธรรมะอะไรมาสกัดกัน้นไอ้อนุสัยนี้ให้มันไม่ให้มันกระทบกระทั่งออกมาผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าต้องมีสติด้วยต้องมีสมาธิเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานอยู่เลยลนี่ไม่พูดถึงก็คือพูดถึงนั่นแหละเรื่องสตินะครับผเป็นพื้นฐานสําคัญมากทีเดียว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 เรื่องสติก็ไปตามกันนี่สุดท้ายสติกับปัญญาเลยกลมกลืนแบบเดียวกันแต่ถึงขั้นนี้มันมันหมุนนะ่ะเป็นอัตโนมัตินี่ขั้นที่ถูกบังคับอยู่นี่คือสติกับปัญญามยังแยกกันอยู่ถ้าเราเลิกไม่ทันปัญญาก็ทะเลสลาบไปเสียไปเป็นทัญญาลงไปเสียแล้วถูกที่เลีลากไปอีกเนี่ยพอมันถึงขั้นเข้าใจตัวเองในเห็นผลของตัวเองแล้ว อันนี้มันก็สนใจจ่ออะไรมันหยาบเข้าใ จ, จมันสนใจจริงหมุนไปตามนี่สติคําว่าจ่อสติมันก็ไปด้วยกันนั่ไหนก็สองหกลมสติคําว่าอนุสัยก็คือความละเอียดของกิเลส น, น, นั่นแหละมันหมอบลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปตัดปันมันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องอุปกิเลสที่หกนั่นแหละ เป็นอุภาษเป็นแสงสว่างไป็นอะไรอะไรมันก็เข้าในที่ผมพูดนั้นแหละแต่ผมพูพูดธรร ม, มาปาลไม่ค่อยจะเอาออุปคเครืร่เรื่องนั้นนี่มาพูดหรอกแต่มันก็พูดเรื่องอุปกิรื่ดีๆแต่ถ้านัดปฏิบัตินัดรู้สกกแะจ่าจจงใช่ไหมอ่าปฏิบัติถึง น, นะครับผมนั่นแหละยังไม่ถึงคือ<ๆ>ผมไม่ได้พูดภาคปริญาผมพูดเข้าคปฏิบัติภาคปริญาก็รู้แต่ว่ามันมันก็เหมือนกับว่าเมธิต ถืออยู่กับมือกับมีดที่เนี่พกไว้นี้มันต่างกันคว้า น, นี้มันมามันเสียเวลายอยู่กับมือนี่มันทิ่ทมเล ย, เลยแทงเลยบางที่ปัญญาที่เกิดกับภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นพุ่งเลยทันเลยทันเลยจะไปถอดมีดในพวกก่นกอนไม่ทันเหมือนปริยัติเราในขั้นที่เราจะเอาปริญาติมาพิจารณาก็พิจารณาแต่ในขั้นที่จะไม่เอาปริญตัตมามันมีนี่ มันเกิดความเกิดรวามกับนั่นทันมันทันกั น, นไม่งั้นไม่ทันเนี่ยถึงขั้นมันหมุนหมุนจรงเลเห็นคนมันก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจเมื่อต่างอันอย่างถึงใจแล้วมันก็มหนหมุนกําลังใจเพื่อความรอดพ้นไปเส้นนี่แหละอยู่แห่งเดียวนี่เป็นให้มีกําลังมากขึ้น ผมก็ไม่เคยคิดที่ว่าท่านเดินโยกมือจนฝ่าเท้าแตกพอเราจะเดินโดยคันบังคับธรรมดาจนฝ่าเท้าแตกม า, า, า, มม า, า, ก, าก็ากยังไม่สมเหตุสมผลเดินเพราะความดูดดึงเดินเพราะความเพิดพนในความเพียร น, นั่นเหมาะเพราอถึงคันนั้นนี่มันเป็นจริงมันมันไม่ได้ดูพระทิตพระจานทร์ไม่ได้ดูเดือนดาตะวงเทวัน มืแ่แสงสว่างอะไรเลยมันหมุนติวติวอยู่ภายในเหมือนกันน้ำมวยเข้าวงในกันในครจะคํานึงว่ามันกำลังน้อยกําลังมากคิดไปไหนไม่ได้เวลานั้นอันนี้ก็เหมือนการมันหมุนมันติวติ ว, ตวเวลาเวลาไม่มีความหิวความกระหายไม่มีมีแต่จิตกับอารมณ์ที่มันฟัดกันอยู่นั้นเท่านั้นเนที่นี่าเท้า มันทําไม่แตกได้ยังไงก็ฝ่าเท้ามันเป็นเครื่องมืออันนี้มันหมุนอยู่กับนี่ต่างหากที่มันก็ทําให้นานไปเองเดินเองเดินไม่หยุดมันก็ฝ่าเท้าแตกเพราะความเพียนหมุนอยู่ภายในมีเพียงแบบความเพียนแบบหนูๆอย่างผมเนี่ยมันก็พอจะมาเที่ยวพูดได้กล้าก็ได้ในกมในจิตขั้นนี้นั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วกล้าพอแล้วมันไม่มีมีร่ำเวลาความหิวความห่วยอะไรไม่มีเลยเช่นเช่นอย่างหมากรหกหรือ สนใจมันอะไรอันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นแลอย่างทุกวันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นแล้วยิ่งอย่างนั้นด้ยแล้วโอ้โหน้ํามันก็ไม่หิวอะไรมันก็ไม่สนใจมันมีอันเดียวเท่านั้นโน่นพอออกจากทางวงกลมองเห็นการน้ำโอ้โหมันจะโดดสะผึ่งเลยนะมันจะตายพอดื่มนั่งไปสําลักกะกะกะกะกะมันไม่ได้กินน้ำหรอก็มันก็ไม่หิวมันดื่มไปหมดเพราะความเพียรอันนี้มันหมุนตัวเป็นเปียกไปเลยมันเป็นอัตโนมัติ อยู่ที่ไหนจะบางทีได้ลําผึงเจ้ของนีโ่โหทไมเราไม่เคยคาดเคยฝันมันเป็นอย่างนี้ความพลาดของคิดนั่นกับความจริงนี่มันผิดกันเไม่ว่าจิตใจมีความละเอียดละออไปเท่าไรแล้วการงานก็จะลดน้อยถอยลงไปใจก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นการงานก็จะน้อยลงน้อยลงใจก็สบายจิตละเอียเข้าไปเท่าไรมันยิ่งจะมีความสะดวกสบายมันกลับกูนข้าม ยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อไรมันจะได้สะดวกสบายกันเสียทีเพราะว่าแล้วมันก็ปุ๊บเลยอีกจนกระทั่งมันไปหมดกำลังของมันแล้วมันก็อยู่ทของมันเองที่นี่ขนาดนั้นมันไม่ได้คำนึงอะไรคิดโดยที่พอตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับมันเผลอเมื่อไหร่อย่างนี้หาช่องเผลอมันเผลออะไร่ย มันเพ้อไปกับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าทักเราอย่างนั้นก็มันไม่เผ้อมันเป็นเองของมันนี่ที่ว่าท่านก่านพูดถึงสติมหาสติมาปัญญาในขั้นพุจธการคือสติปัญญาอัตโนมัติมันเปงมันเองอันนี้มันก็เป็นสมมตินะนอทําไมถึงก็เป็นสมมุติก็ถึงวาระที่มันจะภาคตัวเองมันก็พักงมันเองสติปัญญาแบบนี้มันก็ไม่มีเมื่อถึงวาระที่มันจะไม่มีแล้วมันเป็นความเหมาะสมของ แต่ละอย่างละอย่างนอันนี้ก็เป็นสมมติปัญญาเป็นสมมุติสติเป็นสมมุตินี่มาแก้สมมุติด้วยกันคือส ม, มุทัยเป็นสมมุติสมุทัยมันฝ่ายฝ่ายชั่วมากเป็นฝ่ายดีสติปัญญาเป็น เ, เป็นฝ่ายแก้กิเลสเป็นฝ่ายผูกมาดเนี่ยมันแก้กันนี่พ อ, อ น, นี้หมดปัญหานั้นกระหมดปัญหาไปตามๆกันกที่ท่านพูดถึงเรื่องพระละหันท่านเป็นท่านมีสติวิปุรานั้นท่านยกลาบสมมุติต่างหากเรื่องมีคนมาฟ้องพระลรหันว่าท่านเป็นสังฆาปราชิกรอะไรก็แล้วแต่เถอะ พระพุทธเจ้าเป็นประธานถรับสั่งว่าโอจะไปฟ้องร้องเธอสิเธอเป็นสติวินัยแล้วว่างงั้นยกออกมาพูดเฉยก็คือหมายเอาความบริสุทธิ์อนั้นมันพ้นจากสมมุติทั้งหมดแล้วการร้องการป้องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งมวลจิตอันนั้นมันพ้นไปแล้วจะ อ, อะไรมาเป็นอันนี้ได้ตัวหมายว่างั้นท่านก็ยกเอาสติวินัยขึ้นมาสียะท่านนั้นเนี่ยนี่ท่านก็ยกขึ้นมาเป็นสมมติพื้นฐานจริงจริงของหลักธรรมชาติแล้ว กับสมมุติทั้งหลายเรือกับสิ่งที่เขาหาเรื่องทั้งหลายนั้นมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยนะันเป็นคนละโลกอยู่แล้วถ้าเป็นโลกแต่นั้นไม่ใช่โลกเดี๋ยวคนต้องยึกว่าโลกุตละโลกุตละธรรมก็าทําเหนือโลกนั่นเองพูดอะไรมันก็ไม่ท่านสนิทใจท้าว่าทาเหนือโลกถูกุตละก็แปลว่าสูงโลกะโลกโลกุตละธรรมธรรมสูง ที่นี้เวลาเราเอาเอาความก็ทำเหนือโลกวา ง, งเงนเหนือโลกก็คือเหนือสมมติเนี่ยตั้งแต่โสดาสกิทคารไปเราทําสูงก็ถูกถูกไปเรื่อยๆพอถึงขั้นอวนาระสุดท้ายที่พ้นจากโลกไว้แล้วก็บอ ก, กทำเหนือโลกไว้เสียเพราะแปลไปตามขั้นของธรรมคือธรรมอันนี้สูงแต่ยังไม่พ้นจากโลกโสดาสนิทคารนาคารยังไม่พ้นจากโลกจาวสมมติก็ว่าโลกุตลาโลกุตร า, ตราสูงสูงสูง หรือว่าสูงไปเริ่มดับนะพอถึงขั้นอาณาตภูมิแล้วก็บอกทําเหนือโลกเลยจรคือเหนือไปหมดสูงก็ยังไม่มีกำกำหนดก็ยังหา ก, กําหนดกฎเกณฑไม่ได้เพราะว่าเหนือโลกแล้วมันก็รู้กันชัดเจนว่ามันเหนือหมดแล้วหนาสามขั้นนี้จะเข้าสู่ติดสมุทัยได้ไหครับผมฮะสมขั้นสมมติม่อยู่ตรงโอ้ท่านสมมติมีอยู่ก็เป็นสมุทัยได้ที่นั่นแหละ ข้านาคานี่ย ก, ก, ก็มีสมุดไทยตามขั้นของพั้นนาคาโซดาสกีทาอนาคายังมีสมมุติยังครองใจอยู่านี้เมื่อสมมุติยังครองใจจิเลสประเภทละเอียดตามขั้นของธรรมตามขั้นของจิตตามขั้นของกิเลสจะไม่คลองใจได้อย่างไงเมื่อผ่านนี้หมดแล้วทีนี้ไม่มีแล้ที่จะอะไรจะไปคลองใจไม่มีแต่ว่าอาวกาศของจิตก็ได้เวิงว่างหมดเลย มันติดอะไรจีดนี่ฮะมันก็ติดสมมุตินั่นเองผ่านอันนี้ไปแล้วมันติดอะไรมันไม่ติดอะไรนี่ถ้าไม่ยอมว่าเขาถ้าไม่รักษาสมมุติแล้วพูดไปแรกกรงเป๋งเปไปเลยตามความจริงนั่นทีนี้โลกมันมีสมมุติแล้วก็พูดมีสูงมีต่ำเป็นธรรมดาไปตามโลกการสมมติเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่าะ ก, กล้าห่านี่เพราะเรื่องกลัวเรื่องกล้าเรื่อง อาไม่อายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งหมดคิดตรงนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเป็นความจริงเรื่อนๆกับความจริงมันยิงเข้ากันแน่นสนิทนี่พูดตามความจริงพูดตามความจริงเดีนี้โลกมันมีสมมติฮมันก็ต้องเป็นปฏิบาตาสมมุติเพราะธาตุขันเราก็เป็นสมมุติยังเกี่ยวกับสมมติอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามสมมุติเท่าที่ควรเพราะนั้นถึงมีสูงมีต่ำถ้าจิตตรงนั้นไม่มีอะไรมามี มันไม่มีอะไรติดอะไรข้องเรจะเทียบแบบสมมติตัวเราว่าอาวกาศขึ้นหมดความดึงดูดแล้วมัก็พุ่งไปตัวได้เต็มที่เหมือนย า, ยานอาวกาศเขานะั่นไม่มีอะไรดึงดูดกดถ่วงแล้วไปพุ่งไปได้เต็มที่นี่จิตไม่มีอะไรดึงดูดสมมติมันหมดแล้วมันก็ไปได้เต็มเหนียวแล้วถ้าจะไปเหรอท่านทำไมไป ไม่เหมือนอไม่เหมือนจรวดเขานี่อพูดเทียบไม่เฉยจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนถ้าไม่ได้สนใจกับความว่าอยู่กับความว่าไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เท่านั้นแน่นนะจะให้มันเหมือนสมมติจริงๆมันไม่เหมือนนะก็เทียบกันไปอย่างนั้ น, นะจะให้มันเหมือนจริงๆก็คือให้เจ้าของรู้ก็แล้วกันนี่นะใครรู้ใครแล้วมันก็หมดปัญหาเนี่ยมีเท่านั้ น, น่ะ พูได้ไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีอะไรว่าเป็นอุปสรรคขอให้รู้เถอะพอรู้แล้วก็หมดปัญหาไปทันทีเลยแล้วอะไรจะมาเป็นปัญหาก่อจิตดวงนั้นมันไม่มีเรื่องปัญหาทั้งมวลก็คือเรื่องสมมตินั่นแหละเนี่ยมันหมดแล้วปัญหาหมดุพูดมันสุดๆจนเสยนลงไปว่าตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็หมดไปเสีย ทวามกัวเป็นกลัวตายไปไหนหมดไปเสียกลัวอะไรกล้าอะไรเนะ่ยถ้าอยากมาดูร่างกายนี่ก็กับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเนี่ยส่วนดินกับส่วนทั้งแข็งก็เป็นดินเนี่ยก็เหมือนดินนั่นส่วนอ่อนก็เป็นน้ําเหมือนน้ำนั่นทีนั่นก็คือน้ําอยู่ในนี่ก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟก็ไม่ได้เป็นเล่าเป็นของเราเขาไม่ได้เป็นตัดเป็นบุคคลแต่เขามามาให้ชื่อต่างหา เมื่อรู้กันรู้ตามความจริงนี่เมื่อรู้ตามความจริงนี่แล้วก็จะไปตื่นมาอะไรจะเป็นจะตายก็คือธาตุส่วนความจริงของมันเป็นแต่และอย่างละอย่างมันสลางไปสู่ความจริงของมันตามเดิมเท่านั้นพอจิตจะไปได้ไปเสียอะไรจากกับมันแม้อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรได้เสียจากกันอันนี้สลางไปแล้วจะไปมีได้มีเสียอะไรจากสิ่งเหลนี้มันไม่มีอยงที่พูดว่าบรรดาวระกินาสศทั้งหลายท่านอะ ถ้าว่าพูดโดยลําพังหลักธรรมชาติขอ ง, งท่านแล้วความเป็นอยู่ความตายไปยจะมีน้ําหนักเท่ากันเนี่ยเพราะท่านอยู่กับความจรงิงถ้าไม่อยู่กับความเป็นอยู่และความตายไปยนี่นะท่านอยู่ความจรงิงถ้าว่าอยู่ท่านอยู่ความจริงความเป็นอยู่กับความตา ย, ปายไปต้อมีน้ําหนักเท่ากันถ้าจะพิจารณาคิดออกไปถึงแง่ประโยชน์ของโลกว่ามีชีวิตอยู่ก็ได้สราประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นนานๆแต่ตายไปเสียการสราประโยชน์ให้โลกที่ ควรจะรับประโยชน์มากน้อยก็ขาดสภาพเด า, ามกันนี่ความเป็นอยู่ก็มีน้ําหนักมากกว่าเพราะท่านคิดเทียบเทียงต่างหากไม่ได้คิดด้วยความอยากอ ย, กอยู่อยากไปถ้าไม่อยากความอยากก็ควรใจอยากหาอะไรเนีมันไม่อยากมันสมบายที่สุดแล้วจะไปส่องหาอะไรความอยากมาทิ้มแกงหัวใจ เป็ไงผ้าใหม่เทวันนี้เข้าใจปล่าวอะเข้าใจครับเข้าใจเลยครัต้องขออภัยนะผ้าป่ามเทศอย่างนี้นะมันเทศอย่างนี้มาเป็นประจํานะเขอืม บ, <laughs> บงเบ้งบงเ บ, งเบ้งนี่ อ, อืมการสู้กิเลสมันก็ต้องเอางั้นสิกิเลสผลมาธรรมะผลไปสิกิเลสผลมาธรรมะหมอบล่าแล้วเสร็จไม่ไหวอย่างนั้นเสร็จเลพวกเรานี่มีแต่พวกกิเลสผลมาพวกเราหมอบเลยอยื มอผ้าอะไรคว้าพนพันกันลงเวทีในมีอะไรอีกแล้วเนี่ยจะไม่มีก็เลือกนะ